คุณฟังที่ครบคะ่ะเราได้ฝึกปฏิบัติธรรมสมาธิเป็นการปฏิบัติธรรมตามพุทธวจนะไปกับพระมารชาควโรและฟังพระสูตรแล้วตอนนี้มาพบกับพระอาจารย์ไพบุตรอภิปุโนกันนะคะในรายการสรนสนีสนทนาช่วงที่เรียกว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะคะ่ะนมรส ก, การกระทั่งค่ะาอาจรย์พรค่ะวันนี้ดูเหมือนกับว่าเป็นคําถามของคนหนุ่มสาวใช่ไหมคะเนี่ยดูจากเนื้อหา <g les> น, นี่เป็นคำถามที่สืบเนื่องมาจากที่ไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะแล้วมาไปบรรยายที่นู่นเมื่อช่วงที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องของความรัก <c oughs> เป็นนักศึกษาค่ะระดับปริญญาตรีนี่แหละฉ <c oughs> ันไปที่สามฉันไปที่สี่ค่ะไม่รู้ว่าท่านผู้ฟังที่ฟังรายการนี้อยู่พ้นวัยที่จะมีความรักแล้วต้องมาเอาธรรมะขน า, นาบหรือยังนะคะแต่ดิฉันเข้าใจว่าคนเราเนี่ยจะว่าไป เรื่องความรักมันมีได้ทุกวัยเหมือนกันเพราะว่าดูข่าวนะคะท่านคะบางคนน่ารักมากเลยอายุเป็นคุณทวดแล้วค่ะเป็นปู่เป็นย่าใชไหมใช่ค่ะแล้วไม่ใช่มีแค่ฝรั่งนะคะเดี๋ยวนี้คนไทยก็นิยมที่จะแต่งงานกันในวัยที่ลูกหลานเป็นฝั่งเป็นฝาหมดแล้วเหมือนกันซึ่งอาจจะเป็นไม่ใช่เหตุผลทางเนื้อหนังก็ได้อาจจะเป็นเรื่องของการที่อยากจะมีเพื่อนในช่วง เขาเรีย<ส>กว่าปัดชิมมาไว้ค่ะทีนี้เอาละมาเรื่องคำถามที่ได้มาจากนักศึกษามหาวิทยาลัยก่อนนะคะคำถามแรกคำถามแรกเอาประเภทแบบกำลังมีความรักก่อนทำไมเวลามีความรักแล้วรู้สึกดีแค่เริ่มแร ก, แรก นะคะพอตอ่ต่อไปเนี่ยรู้สึกว่าเบื่ อ, อแล้วก็ไม่น่าคบกันเลยแล้วก็เลิกกันไปพอเลิกแล้วก็เหงาคนะ่ะท่านอยากมีความรักอีกครั้งแต่พอมีแล้วมันก็เป็นแบบนี้เรื่อยๆอบางครั้งบางครั้งหึงมากใช่เป่าคะน่าจะใช่นะีนเน่เป็นคุณสมบัติของความสุขที่กิดจา ก, กามจนขณะไม่กล้าจนขณะเนี้ยไม่กล้ามีความรักกับใคร อ, อันนี้เป็นความคุณสมบัติของความสุขทางกาม นะพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้หลายอย่างนะอย่างเช่นเปรียบเทียบไว้กับามาแทะกระดูกสุนัขเนี่ยมันเห็นกระดูกเนี่ยน้ำลายมันจะไหลไหลว่าโอ้อยากกินกระดูกแต่พอไปแท้จริงๆแล้วเนี่ยเนื้อไม่มีเลยนะกินกระดูกก็ไม่ได้ก็เลียๆเท่านั้นแหละสุดท้ายกินน้ําลายตัวเองแล้วมีความเสี่ยงที่เกิดจากการที่จะถูกหมาตัวอื่นเนี่ยมากัดมาแย่งนะมีการด่ากันบ้ากันบางตัวนะเลือดสาดเลยลขาเจ็บเลือดสาด ด้วยความที่อยากกินแท้กระดูกสุดท้ายได้กินแต่น้ํำลายตัวเองความความสุขทางการ <c oughs> ความสุขทางการเป็นอย่างนี้แน่นอนคือคือสุขแป๊บเดียวเพราะมันเสื่อมไปได้ง่ายมันเป็นความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลินกน้นไก่มันเสื่อมไปได้ง่ายแล้วพอเสื่อมปุ๊บเนี่ยจะเห็นโทษของมันทันทีอย่างที่2อพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับคบเพลิงญ้าแล้วคบเพลิงหญ่าเนี่ยมันสว่างนิดเดียวโอแต่ควันของมัเ น, นี่นะโอ้เข้าตาเข้าหูเรา ร้องไห้แต่แสงมันให้นะนิดเดียวนี่คือความสุขที่เกิดจากกามกมเปรียบกับสุนัขแทะ ก, กระดูกกับอะไรนะคะคบเพลิงหญ้าคบเพลิงหญ้ า, เ, าเอาญ้าเนี่ยเอาญ้าแห้งเนี่ยมาทำเป็นคบเพลิงนะมันจุดได้แป๊บเดียวคุณติว๋วแล้วก็ไฟที่ออกมาเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้สว่างอะไรมากแถมมีควันมากอีกต่างหากแม่ดิฉันชอบคบเพลิงหญ้าคือแบบอุปมาชัดเจนมากเลยนะคะพระพุทธองค์ ได้ส่งเปรียบเทียบความสุขทางการไม่ได้หมายความว่าความรักแต่เพียงอย่างเดียวแต่หมายรวมถึงความสุขทางการทุกประเภทนอกจากความรักแล้วมันจะมีอะไรทีอเสียงเงินทองลาบยศสรนเสริญพวกนี้เป็นความสุขทางการกินอาหารอร่อยค่ะเป็นความสุขทางการมีคนบ้านใหม่รถใหม่มือถือใหม่พวกนี้แล้วเรามีความสุขเกิดจากพวกนี้นะเป็นความสุขทางการทั้งหมดค่ะพวกที่กําลังได้ยศตําแหน่งใหม่ ดิฉันคิดว่าพวกได้อะไรใหม่ๆเนี่ยไม่มีความทุกข์หรอนะคะท่านแล้วก็ไม่ได้มีความรู้สึกด้วยว่าจะต้องเรียนรูแ้แหมนี่มันเป็นความสุขทางการที่มันไม่ทนแล้วมันมีพิษด้วยนะ<ช>แต่เขาก็ไม่สนึกว่าเออมันก็มีความสุขดีอยู่แล้วส่วนคนที่สูญเสียสิคะโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยช่วงการยกย้ายใช่ยยกย้ายแต่งตั้งทั้งหลายคนที่ไม่ได้อย่างใจหรือสูญเสียไปเนี่ยมีความทุกข์มากเพราะนั้นถ้าฟังเรื่องคบเพลิงย่า ไฟสว่างวาบเดียวบบความสุขทางกามนี่ดิฉันว่าเข้าท่ามากเลยท่านช่วยเล่าเต็มเตมเรื่องอีกสักครั้งได้ไหมครับว่าพุทโธงตรัสไวอ้อย่างไรเปรีปรยบเทียบกับคบเพลิงยา่าว่าคบเพลิงย่าเนี่ยมันสว่างน้อยสว่างไม่มากอันที่สองมันเต็มไปด้วยควัน ค, ควันของมันจะมาเข้าตาเข้าหูเข้าปากเราทําให้เราเกิดความสําลักอย่างนี้ไม่ไม่คุ้มประโยชน์กับไฟที่มันเกิดะน ะ, ะแล้วก็ยังเปรียบเทียบเหมือนกับคนแบกของยืมของคนอื่นเข้ามา ออนําทรัพย์เดินผ่านตลาดอย่างนี้นะคือสมมติว่าลูกจ้างเนี่ยเจ้านายให้เอาทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยแบกขึ้นบ่าแล้วก็เดินไปย้ายบ้านใหม่ผ่านตลาดไปเนี่ยโอ้โหคนก็มายกยอ่ อ, uh, องว่าโอ้ยนี่สุสีคนนี้ซัพย์เยอะจังโอ uh, ้โหรวยนี่เพชรก็มีทองก็มีแต่เดินไปถึงตงรงนู้นนะคืนเขหมด<อ> uh. นึกออกไหมความสุขตรงนั้นที่เกิดจากที่เขามายกยอเราเดินผ่านตลาดเนี่ยแค่เดียวตัวนั้นเองพอถึงที่ต้องคืนเขาหมด อันนี้ก็อหยื่อที่สเพราะว่าถือทรัพของคนอื่นมาเ<ช>ขาวานให้แบกแต่ทีนี้พอแบกผ่านตลาดคนก็ไม่เข้าใจก็นึกว่าเป็นทรัพยของคนที่แบ ก, กนะคะแล้วก็สรรเสริญเยินยออสุดท้ายพอไปถึงปลายทางเท่าไปคืนให้เ<ข>หจ้าของมันจะรู้สึกเสียใจเนี่ยโอ้ยหมายความว่าไม่ใช่ของเราเหมือนกับกายของเรานี้นะ่ะอากายของเราเนี้นะยืมเข้ามานะยืมโลกเข้ามายืมธาตุสี่ดินน้ำไฟลง ม, มาพอถึงสุดท้ายตอนกายแตกนะคุณเอาไปไม่ได้เลยนะ ตอมาคุณก็มีแค่นี้ยืมเข้ามานะดินน้ําไฟลมพอตอนแตกคุณก็ต้องคืนเขาแล้วถามว่าเวลายืมเงินเข้ามาแล้วเนี่ยทำธุรกิจแล้วเนี่ยคนที่เป็นหนี้จะทราบเลยยืมเงินเข้ามาทําธุรกิจแล้วถ้าสุดท้ายนะเหลือเงินคืนเขาแล้วยังเหลือเงินพอที่จะเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงภรรยาเลี้ยงสามีได้เนี่ยจะดีใจมากค่ะแต่ถ้าขาดทุนนี่จะเศร้าใจสุดๆเพราะฉะนั้นเหมือนกันเรามาเกิดมาโลกคือยืมของเขามากามเนี่ยยืมเข้ามาต้องคืนเขา อแนะไปยึดถืออะไรคือนเคยได้ยินกรอนนี่ของท่านเพื่อทาตหรือเปล่าว่าเมื่อเกิดมามีอะไรมาด้วยเจ้าไม่แน่ใจนะคะที่บอกว่าท่านจะเอาแต่สุขสนุกฉนไหนมามือเปล่าแล้วเจ้าจะเอาอะไรไปเจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามามแล้วไไลบางคนก็บอกว่าให้ดูตอนตอนเกิดเหระเด็กเกิดมานี่จะกำมื อ, อใช่ไห ม, ไมแต่พ อ, อพอเสียชีวิตไปรดน้ำศพเนี่ยแบมือรองรับ น้ำที่คนมารดน้ําอืำเป็นครั้งสุดท้ายให้เห็นว่านอกจากแบมือยังไม่พอเลยเขาล้างมือให้ไปมือเปล่าจริงๆด้วยอย่างนั้นด้วค่ะแล้องคิดดูสิสัเปลอคนบางคนเอาเอาเอ า, เอาเงินเหรียนใส<ช>่ปา ก, ปากคะ่ะก็ยังถูกสัเปลืควักออกไปเอาแค่นั้นยังเอาไปไม่ได้เลยดิฉันอย่างบางครั้งนะคะคือเคยไปวัดวัดหนึ่งอแล้วก็ได้ไปเห็นรองเท้าใหม่ๆเนี่ยเรียงกัเต็มไปหมดเลยกับเสื้อผ้าใหม่ใหม่เป็นกองที่ฉันนึกในใจนะี่นี่เป็นไปได้ไหมว่า ญาติคนตายจะแต่งตัวให้กับผู้ตายด้วยชุดที่ดีที่สุดแล้วสุดท้ายเนี่ยค่ะก็ะจะเผาก็เสียดายก็เลยถอดออกมาเอาไปใช้ทําประโยชน์อย่างอื่น<อ>ต่อมั้งหรือเปล่าอันนี้เข้าใจว่ามันมีทั้งเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้กลับมาเรื่องความรักต่อดีกว่าท่านคะท่านบอกว่าไอ้ความรักทางการเนี่ยพระพุทธเจ้าได้เปรียบเอาไว้กับสุนัขแทะกระดูกแล้วแล้วพระพุทธเจ้าสรุปอย่างนี้นะว่าถ้าถ้าผู้ถามคําถามเนี่ยมีความรู้สึกอย่างนั้นเน่ยอาตมาจึงบอกว่า ถูกต้องแล้วพระุทธเจ้าก็ตรัสเอาไว้แล้วให้ทําอย่างนี้วิธีแก้เนี่ยคืออะไรที่มันมีโทษเราอย่าไปเอาเราก็ไปหาความสุขที่มันเหนือกว่าละเอียดกว่าประณีตกว่าลึกซึ้งกว่างดงามกว่านั่นคือความสุขที่เกิดจากในภายในให้ไปหาตรงนี้อย่าแสวงหาความสุขที่เกิดจากกรรมเป็นของที่ไม่ควรทําให้มากไม่ควรทําให้เจริญแต่ไปหาสิ่งที่ควรทําให้มากควรทําให้เจริญนั่นคือความสุขที่เกิดจากในภายใน นะคือสมาธินี่เองความสุขที่เกิดจากไม่ต้องไม่ต้องเอาตาหูจมูกลิ้นกายมาล่อค่ะบางคําถามที่ฉันอ่านดูแล้วเนี่ยสรุปแล้วจะต้องตอบแบบเดียวกันแน่ๆเลยก็เลยคิดว่ารวมไปดีกว่านะคะแต่ว่าอันเนี้ยค่ะอาจจะต้องถามสักหน่อยหนึ่งเพราะว่ามีรายละเอียดที่แตกตา่างบอว่าจําเป็นไหมคะคนที่จะอยู่ยืดยาวกับเราไปจนแก่เท่าจะต้องเป็นเนื้อคู่ ที่ต้องเคยสร้างบุญมาแต่ชาติก่อนอการที่เราเจอกับคนที่เรารักในชาตินี้เป็นเหตุบังเอิญหรือว่าเป็นเหตุมาจากบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เจอกันเคยบางท่านอาจจะเคยพบเห็นคู่สามีภรรยาที่เรียกว่าไม่เคยมีปัญหากันเลยน ะ, ะตลอดการแต่งงานชั่วมาอาจจะเป็น30ปีห้ปีปอะไรต่างๆนี้นะอันนี้พระพุทธเจ้าพูดถึงเหตุเอาไว้ว่าเหตุหที่ทําให้สามีภรรยาเนี่ยมีความรักกันข้ามพบข้ามชาติเนี่ย ก็คือเรื่องของศีลกับเรื่องของทิฏฐนะิถ้ามีศีลเสมอกันมีทิฏฐิเสมอกั น, อ, กนอันนี้แหละจะเป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้สามีภรยาคู่นี้ภรรยาสามีคู่นี้ไปพบเจอในสัมปรายาต่อไปแนะ <Okay. S 1> บบนี้แปลว่ามีศีลและทิฏฐิเสมอกันมาทิฏฐิก็คือเรื่องของความเห็นศีลก็คือเรื่องของการปฏิบัติตัวกับปฏิบัติวาจา <Okay. S 1> เสมอกันตรงนี้มีคนบอกทีฉันบอกว่าคําว่าสมรสเนี่ยมสมาในแปลว่าเสมอ รถแปลว่ามีรถที่เสมอกันซึ่งในนั้นอาจจะเป็นรถแหง่งศีลรถแห่งทิฐิปนอยู่ด้วยก็เป็นไปได้นะคะอือเข้าใจว่ า, า, าเพราะถ้าให้สังเกตดูดีๆเนี่ยคนที่มีความแตกต่างกันมักจะอยู่กันไม่ยืดหรืออยู่กันไม่มีความสุขเหรอะคะอเอาแค่ว่าสมมติสมมุติมมว่าเร า, เราอาจารย์มาจะแนะนำนะคนที่แต่งงานไปแล้วนะคะคือสามีกับภรรยาต้องทําหน้าที่อย่างตัวเองเข่าไป แน่นอนว่าต้องไม่นอกใจซึ่งกันและกันค่ะที่ประการหนึ่งก็คือว่าอย่างสามีเนี่ยหน้าที่หนึ่งใน5อย่างที่พระเจ้าตรัสหมายถึงเนี่ยคือต้องต้องให้เกียรติภรรยาอย่างที่2เนี่ยต้องให้เครื่องประดับค่ะ <Okay. S 1> นะอาจมาเคยเห็นคู่สมรสบางคู่เนะี่ยสามีภรรยาเนี่ยนอกจากแหวนแต่งงานแล้วเนี่ยตั้งแต่วันนั้นเนี่ยอีก20ปีต่อมาไม่เคยให้เครื่องประดับภรรยาเลย <laughs> <laughs> แล้วมันจะอยู่กันยังไงอะ บางทีขอยืมภรรยาไปจำนำด้วยก็มีี่เป็นหน้าที่ของสามีอย่างหนึ่งมอบเครื่องประดับให้คือเหมือนกับว่าคำสอนของพระพุทธองค์เนี่ยก็ท่งครอบคลุมไปถึงชีวิตแบบทางโลกด้วยว่าที่มันจะเป็นปกตินั้นควรจะเป็นเช่นไรค่ะท่านคะยังพอมีเวลาเหลืออยู่ถามอีกสักคำถามเป็นคำถามเบาๆเหมือนกันนะคะว่าท่านในระหว่างพรรษาแล้วพระไม่ได้กลับไปจาวัดที่จาพรรษาอยู่ จะถือว่าพรรษานั้นขาดไหมคะก็ต้องถามว่ากี่วันพนะระพุทธเจ้าอนุ ญ, ญาตให้ไปด้วยเหตุสี่อย่างภายใน7วันนะก็คือถ้าท่านไม่ได้จำวัดอยู่ในวัดที่ได้อธิษฐานพรรษาไว้เนี่ยด้วยเหตุเหล่านี้ไหมแล้วถ้าเกินจํานวนวันไหมนี่ก็ถือว่าไม่ขาดพรรษาภายใน7วันอ่าภายใน7วันเหตุต่างๆเหล่านั้นเช่นพ่อป่วยแม่ป่วยเพื่อนเพื่อนผู้ประพฤติประมาจันเนี่ยคิดจะสึก นะหรือว่ามีงานนิมนต์ที่เขาส่งเอกมีส่งทูตมาเชิญอย่างงี้ไปได้คะ่ะแล้วก็ถ้าเกินเจ็วันแล้วจะเป็นยังไง <คะ S 2> ใช่ไหม <คะ S 2> เกินเจวันก็ขายพรรษาขายพรรษามีโทษอะไระก็จะถูกปรับอาบัติทุกกฎคือเป็นอาบัตอย่างเบานะแล้วก็ไม่ได้อ น, นี่ส่งของพรรษาอนนี้สง่งพรรษาก็จะมีอยู่5อย่างคือ อ, อยู่โดยปราศจากผ้าสามผืนได้ตา่างต่างๆเรื่องเล็กเน้อยน้อย่างนะค ะ, ะเพราะฉะนั้น ก็ถ้าไปตามเหตุที่พระพุทธองอนุญาตสี่เหตุไปภายในเจวันได้ไดแต่ถ้ามันเกินเลยไปก็เท่ากับว่าอาบาัตเพียงแต่ว่าเป็นอาบัตที่ไม่หนักเป็นอาบัตเบาเรียกว่าอาบัตทุกฏนะคะแล้วก็ขาดอนิสงฆ์ของการที่จบาบรรษาพระเราส่วนใหญ่ก็จะทำลักษณะว่าไปเจวันแล้วก็กลับมาแล้วก็ไปตามีความเป็นค่อยไปใหม่อ๋อค่ะ นี่เป็นวินัยที่อยู่มาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเลยใช่ไหมคะพระพุทธองค์เป็นผู้บัญญัติเอาไว้เราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในพุทธวจนะจากพระโอษฐ์เพราะว่ามีสองเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องทำกับเรื่องวินัยมีอีกคําถามหนึ่งคะ่ะท่าคะปัจจุบันนี้มีการแยกปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาโดยสิ้นเชิงคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าการกําหนดนามรูปหรือการกําหนดยุบหนอ่อพองหนอ่อเป็นวิปัสสนากรรมฐานแล้วโดยละเลยสมาธิด้วยการอ้างว่า จิตคนมีสมาธิอยู่แล้วทั้งที่นั่นเป็นสมาธิทางโลกเท่านั้นอยากทราบว่าจะทิ่ฐานอย่างไรให้เข้าใจว่าการปฏิบัตินั้นต้องทําให้เกิดสมาธิขึ้นมาก่อนครับคําถามนักศึกษาเหมือนกันนะคะจะสมาธิและวิปัสสนาเนี่ยทุกท่าว่าต้องเป็นธรรมที่เกียงคู่กันไปและาการมีสติอยู่ในลมหายใจอย่างที่ท่านมา่าปฏิบัติตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยเป็นการทําสมาธิและวิปัสสนาไปพร้อมๆกันอยู่แล้วต้องทำที่ทำให้มันควบคู่กันไป เพราะนั้นนี่คือเป็นพุทธวจนะแล้วก็ปฏิบัติตามท่านอาจารย์ข้าไหนๆก็พูดไปอ้างถึงช่วงต้นที่ว่าท่านมาร์กเนี่ยที่สอนให้มีสติในลมหายใจเท่ากับว่าเป็นการปฏิบัติทั้งสมาธิและวิปัสสนาควบคู่กันตรงไหนเป็นสมาธิตรงไหนเป็นวิปัสสนาคะ่ะตรงที่เป็นสมถะเนี่ยสมถะคืออะไรก่อนนะคุณพระพูดถึงสมาธิเนี่ยคือความที่จิตเนี่ยสงบตั้งมั่นอยู่อย่างไม่หวั่นไหวเป็นจิตที่อ่อนโยนโคลนแก่การงาน อันนี้ระยะที่หนึ่งระยะที่สเนี่ยพูดถึงสัมมาสมาธิคือสมาธิที่ดีเนี่ยนะคือสิ่งต่างๆที่แวดล้อมจิตันเป็น1สิ่งต่างๆคืออะไรสัมมาทิิสัมมาวาจาสัมมาวสัมากรมตสัมมาสมาธิสัมมาสติแล้วก็สัมมาอัชวะเจอย่างเนี้ยแวดล้อมจิตที่เป็น1อยู่อันนั้นคือสัมมาสมาธินะเพราะฉะนั้นถ้าจิตของเราเนี่ยเป็น1อยู่เป็น1คือไม่บุนไม่ไปไหนไม่ แส้สายไม่มีนิวรณ์อันนั้นแหละคือสมาธิละไม่มีนิวรณ์คือเครื่องกลางกันนั่นแหละคือสมถะสมาธิละแล้ววิปัสสนาคืออะไรคือการเห็นตามที่เป็นจริงเห็นตามที่เป็นจริงอะไรคือเป็นจริงคือเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นของบรุงแต่งอาศัยกันและกันเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความจางคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาอันนี้ชื่อว่าเห็นตามที่เป็นจริงค่ะก็เป็นอันว่า พอสมควรแล้วนะคะเราได้หลายคําถามมากเลยว่าตั้งแต่เรื่องของความรักมาจนกระทั่งสมถะและวิปัสนาเป็นอย่างไรนะคะก็ได้คําตอบกันไปวันนี้วันศุกร์แล้วค่ะท่านคะจะต้องมาพบกับท่านฟังกันอีกทีนึงก็ต่อเมื่อวันจันทร์และหยุดพักเสาอาทิตย์กันไปท่านคิดว่าพักเสาอาทิตย์กันไปสําหรับคนที่ฟังรายการนี้แล้วนี่ควรจะทําอะไรดีคะระหว่างนั้น ก็เหมือนพระเนาะวันพระเราก็หยุดบ้างบางทิศเราก็พักผ่อนแล้วก็อาศัยว่ามีสติในลมหายใจตลอดเวลาอย่าให้หายใจเนี่ยเป็นการหายใจทิ้งๆเล่าๆให้มีสติมีสติรักษาจิตเถิดค่ะนะคะวันนี้เราก็ขอให้ทุกท่านได้นําเอาคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านทางรายการสัมสีตสนทนานี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันของท่านขอให้มีชีวิตที่สวัสดีจากการที่ท่านได้ นำเอาพุทธวจะนะไปใช้นะคะพุทธวตนสวัสดีคะ่ะ